ดังนั้นจึงไม่ต้องคิดถึงเรื่องอื่นการงานต่างๆเอาไว้ก่อนแลเมื่อถึงเวลามาแล้วก็จึงค่อยทำมันเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่ทำงานอย่างอื่นโดยกายโดยวาจาเวลานี้เป็นเวลาที่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 หนูมา ก, ก็ไปคิดถึงเรื่องอดีตที่ลวงมาแล้วนั่นแหละเพราะว่าเรื่องอดีตมันทํามาแล้วหนึ่งทามาแล้วพูดมาแล้วมาดนี้มันยังไปยึดถือเอามาวิจตกวิจาร์อยู่การกระ ท, ทําเช่นนั้นไม่สมควรเลยเพราะถ้าเป็นทางผิดก็ดีสมควรที่จะต้องทําอย่างนี้ความจริงนะหั คิดตกเข้าไปอะไรก็ยิ่งคับแขนใจขึ้นไปเท่านั้นดังนั้นเราจึงต้องระ ง, งับความคิดอนันเพราะว่ามันล่วงมาแล้วนี่จะไปแก้ไขยังไงมันก็ไม่เป็นไปตามความประสงค์เพราะมันทำมาแล้วพูดมาแล้ว ดังนั้นเราต้องรู้ต้องเพ่งรู้ก็ว่าเ ร, เรื่องอดีตที่ลงมาแล้วไม่ควรเอามาวิโตกิจารจริงๆเพราะวิโตกิจารณ์แล้วได้แต่ความทุกข์ไม่ได้ความสุขใจถ้าเราปล่อยวางเรื่องเป็นอดีตที่ลงมาแล้วก็ดีเรื่องจิตเวชาคตยังไม่ได้ไม่ถึงก็ไม่ต้องคํานึงถึง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 อนาคตก็ยังไม่ได้มีถึงไม่ทราบว่าลมหายใจนี่มันจะไปถึงไหนก็ไม่รู้เราก็ไม่สามารถจะรู้ล่วงหน้าได้ดังนั้นเราจึงปรากฏมีความรู้สึกอยู่แต่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นเองนะชีวิตนี้นะแต่ลมหายใจนี่หยุดลงเมื่อใดแล้วก็เป็นนั้นว่าตายอยู่ไม่ได้ อันนั้นเรามาเพ่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่นี่ก็จะเห็นว่าชีวิตนี่มีน้อยนิดเดียวไม่มากอะไรเลยเพราะลมหายใจเข้าออกนี่มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเนี่มันถึงเวลาเหตุปัจจัยของชีวิตมันหมดลงแล้วอย่างนี้ลมหายใจมันก็หยุดลงนะ เหมือนตะเกียงละคมไฟเมื่อน้ามันหมดลงแล้วมันมันก็ดับปูบลงเท้านั้นเองเมื่อน้ามันยังอยู่มันก็มีแสงสว่างอยู่ฉันใดชีวิตของคนเรานี่นะเมื่อบุญกรรมที่ทำมาแต่ก่อนถากยังตามรักษาชีวิตนี้อยู่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 เมื่อสุกรับไปทุกข์ก็เกิดขึ้นมาแทนจะรับกันไปอยู่นี่นชีวิตนี้นะลองพิจารณาดูให้ดีดังนั้ น, นจึงต้องพิจารณาให้มันเห็นชัดเจนด้วยปัญญาจริงๆปัญญานั้นต้องเกิดด้วยสมาธิมีสมาธิเป็น พื้นฐานมีสมาธิเป็นที่ตั้งมไม่ใช่ว่าเราคิดลอยๆเอาเฉยๆเพ่งเห็นด้วยปัญญาเลยเป็น้นเพ่งเห็นด้วยปัญญาในขณะที่จิตสงบเป็นหนึ่งอยู่นั่นนะเห็นอะไรก็เห็นจริงถ้าจิตมันสงบเป็นหนึ่งอยู่นั่นนะ ทัานถ้าเรามาเพ่งชีวิตนี้มีแค่ปัจจุบันเท่านี้แหละมาเพ่งดูอยู่เนี่ยมันก็ไม่อยากได้อะไรเนามความอยากมันก็สั้นเข้าเลยเพราะว่ามองเห็นล่าชีวิตนี้น้อยนิดเดียวเราต้องพิจารณาดูเมื่อเห็นว่าชีวิตนี้มีน้อยนิดเดียว ปัญหาความทะเยอะทะยานอยากต่างๆนี่มันก็เบาไปโดยลำดับเออบางคนก็อาจจะช่วงติงว่าผู้ครองเรือนนี่จะไม่ต้องให้อยากอะไรเลยไม่ต้องให้ทำการทำงานหาเงินหน้าทองหรือทำอยู่หาอยู่แต่ว่าหากสำรวมจิตใจให้ เป็นปกติอยู่การงา น, น, นก็ทำอยู่นั้นเนี่ยผู้ที่เคยทำนาก็ทำอยู่ผู้ที่เคยทำสวนก็ทำอยู่งั่นผู้ที่เคยทำการค้าการขายก็ทำไปผู้ที่เคยนับเหมาก่อสร้างอาคารสถานที่ต่างๆ ก, ก็ทำไปแต่ให้ทําความรู้เท่า เราทำนาเป็นต้นกระู้เท่านาว่านาก็ไม่ใช่ของเราแต่เราอาศัยนาเป็นย่ชั่วคร า, าวชั่วชีวิตหนึ่งีนจริงแล้วไม่ใช่ของเราตายแล้วเราก็เอาไปไม่ได้แต่ทาความรู้เท่าอย่างนี้แล้วการทำนาเป็นต้นเหล่านี้มันก็สักแต่ว่าทำาะลรวะนี่นะความรู้สึกนั้นไม่ได้ยินดียินร้ายอะไร ไอ้ผู้มีปัญญานก็ต้องปฏิบัติอย่างนี้ฝึ ก, กจิตใจของตนให้เป็นไปอย่างนี้ขนขาดปัญญาแล้วมิเ่จะเอามันท่าเดียวเราต้องเอาให้ได้ขั้นเมื่อมันผิดหวังมาแล้วก็เอา้ะเดือดร้อนทน่นนี้ก็ขอไม่เที่ยงแค่แนนอนของร่างกายอันนี้ แล้วจะไปเอาจริงเอาจังกับร่างกายนี้ได้อย่างไรอ่ะนั่นแหละผู้ที่เอาจริงเอาจังกับร่างกายนี้เพราะเขจ้องได้ประสบกับความทุกข์แหละเมื่อมันผิดหวังมาดังนั้นทั้งนักบวชทั้งกระหดผู้ครองเลือนพูดถึงเรื่องธรรมะแล้วนั่นเดินสายทีโอกันเลย <c oughs> นักบวชนี่ เหตุที่จะปฏิบัติเหตุที่จะปฏิบัติมากน้อยสันโดษชอบสั ง, งัดตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ก็นเนื่องได้ว่าได้มาพิจารณาเห็นร่างกายอันนี้ชีวิตอันนี้มีเป็นของไม่เที่ยง แล้วก็มีอยู่แค่ปัจจุบันเท่านี้อนาคตก็ยังไม่ได้ไปถึงอดีตก็ล่วงมาแล้วพอพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันจึงทำตัวเป็นผู้มักน้อยสันโดษชอบสังกัดได้เดืองมานนะ่มักน้อยก็มักต้องการให้กิเลสตัณหามันน้อยลงปายโดยําดับไปอย่างนี้นะสันโดษไหมามว่า ได้มาอย่างไงโดยทางที่ชอบโดยทรรมวินัยก็ยินดีบริพภกใช้สวยอยู่เท่านั้นจะเป็นของหยาบของละเอียดของประชิ์อะไรก็สร้างเนี่ยเมื่อได้มาโดยทางที่ชอบแล้วไม่ต้องรังเกียจวัถุทานเหล่านั้นจะหยาบก็ตามละเอียดก็ช่างล้วก็ยินดีบริพภกใช้สวยถ้าว่ามันถูกต้องตามวินัยนะ เรีนเสียแตนได้สิ่งของอะไรมามันไม่ถูกต้องตามพระวินัยเช่นอย่างว่าเขาเอาผ้าของเครืงหัดมาบาังสกุลให้อย่างนี้นะแล้วก็ไปเก็บเอามาห่วงไว้เช่นนี้ไม่ถูกต้องเมื่อเขามาบาังสกุลอุทิศให้แก่ผู้ตายเช่นนั้นเราก็ รักบางสกุลเอามาแล้วก็ไปแจกให้คนยากคนจนต่างๆหมดนั้นเนี่ยเขานุ่งเขาห่าหมไปมันก็เป็นประโยชน์แก่คนยากคนจนได้เรื่องนี้เนะี่ยเรียกว่ารู้เท่าเป็นผู้มักน้อยเป็นผู้สันโดษยินดีตามนีตามได้ มันก็สบายสิฮะนี่จิตใจนะอืมเป็นครือข่าก็เหมือนกันนะเมื่อมีตอนมีบุญวาสนาน้อยแสวงหาวัตถุสิ่งของอะไรก็ได้มาแต่น้อยอย่างนี้ไม่ได้มากเหมือนเขาผู้มีบุญมากเอา้าเราก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่ตามที่ได้มานึกถึงบุญ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 ที่พูกนั้นได้ทำมาแต่ก่อนกัก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนะี่ยคนเรานี่มันจึงเลื่อมล้ำต่ำสูงกับกันในะความเป็นอยู่นะแต่เพราะเกี่ยวก่การกระทำนี่เองไม่ใช่ว่าเป็นด้วยพระอินทร์พระพรหมด้วยไม่ไหวพระอินทร์พระพรหมพระอิศวนพนะระนารายณ์หรืออะไรต่ออะไร แล้วท่านเหล่านั้นไม่ไม่อ้อนวอนไม่วงสวงเพื่อนก็ไม่มาช่วยผู้ใดเข้าใจไปอย่างนั้นเรียกว่าเข้าใจนอกคําสอนของพระเจ้าไปเข้าใจตามคําสอนของลทัทธิอื่นดังนั้นเราเป็นชาวพุทธแท้ๆเราไม่ควรที่จะไปถือมั่นในความเห็นของลทัทธิอื่นเช่นนั้นมันก็ไม่ถูกไม่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 ไม่ใช่เกิดแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในสากลโลกนี่มาโดนบันดาลให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ใช่หรอกพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนอย่างนั้นเลยทรงสอนว่าผู้ใดทำกรรมดีกรรมชั่วมามากน้อยเท่าใดในอดีตชาติหนุนหลังกรรมดีกรรมชั่วนั่นมันก็มาอํานวยผลให้เป็นสุขเป็นทุกข์ไปตาม กำลังของกรรมนั่นนั้นไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดในสากลโลกจะมาให้คุณให้โทษแก่บุคคลพระองค์ไม่ไม่ได้ทรงสอนอย่างนั้นอย่างนั้นเลยอยนั้นเราต้องรู้ไว้แต่คนส่วนมากมักจะเป็นศรัทธาจริตเชื่อง่ายงมงายเก็บใข่ได้ป่วยลงไครโคษณานว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั้นจริงนะเขาไปวงสรวงแล้วหายโรคหายภัยเขามาโคดสนาอย่างนั้นกดเชื่อตามกันไปไม่ทราบว่าความจริงมันเป็นแค่ไหนเออบางทีมันอาจจะไปวงสรวงจริงแล้วโรคภัยมันจะระงับลงไปอันนั้นมันเป็นเหตุบังเอิญต่างหากหนอกโรคบางอย่างนะ ไม่รักษาก็หายได้มันถึงเวลามานแล้วนะอันนี้มีอยู่ในตำราจริงๆโรคบางอย่างไม่รักษาไม่หายเลยโรคบางอย่างถึงจะรักษาหรือไม่รักษาก็ไม่หายนั่นได้แก่โรคกรรมโรคเวรที่พวะนั้นได้ทำความชั่วมวัติชาติก่อนมันติดตามมาให้ผล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 ขอให้ดูตัวเองนี่ก็แล้วกันฮนะดูตัวเองให้รู้แจ้งในกรรมในผลของกรรมนี้ให้ได้อย่าไปเชื่อปรลําประาไปตามหมอดูหม้อดาวต่างๆนั่นนะอันนั้นเป็นคัมภีร์พราหมณ์ไม่เป็นทางพ้นทุกข์ถ้าหากว่าศาสนาพราหมณนะ์น่ะมันเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เพราะพระธเจ้าก็ไม่ ไม่มีไม่บังเกิดกันในโลกไม่มีผู้สร้างบา ร, รมีปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเลยแต่นี่ก็พอเหตุว่าศาสนาพราหมณ์ซึ่งศาสนามีอยู่ประจำโลก น, นี้นะ่ะมันไม่เป็นทางพ้นทุกข์แก่ผู้ปฏิบัติตามดังนั้นน่ะถึงได้มีพูดสร้างบา ร, รมีปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าบ้าง เป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าบ้างเป็นพระอัคภาสาวกต้ขวาบ้างเป็นสาวกคู่ใหญ่เป็นสาวกธรรมดาบ้างอะไรหมู่นี้น่ะนี่ก็ขอให้พากันพิจารณาให้เข้าใจผู้ใดพิจารณาเข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็ไม่หลงไหลไปนับถือลัทธิอื่น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 ถ้าหากว่ากรรมดีคือบุญกุศลให้ผลอยู่แต่กรรมชั่วก็ได้ทํามาเมื่อกรรมดีมันให้ผลอยู่นี่กรรมชั่ว ย, ยังให้ผลไม่ได้ก็ดูเหมือนว่าคนผู้นั้นดีเอเป็นผู้มีลาภมียศ ด, ดีเปิดเผยว่ากรรมดีมันหมดลงไปกรรมชั่วให้ผลแล้ววะเนี่ยชีวิตของผู้นั้นกันเสื่อมโทรมลงไปถึงความวิบัติ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 ไอคนนั่งหลายไม่รู้จักกดธรรมดาหรือว่ารู้แล้วแต่ก็จิตไม่ยอมรับรู้ไม่ยอมรับกดธรรมดาเหล่านี้ฝืนเรียกว่าฝืนกดธรรมดาโดยอ้างว่าเมื่อไม่ทําไม่ได้ไม่ทําก็ไม่ได้กิ้นอย่างนี้ค้าขายเหล่านี้ทําไม่โกหกก็ไม่มีกําไรไม่ร่ํารวยมันก็อ้างไปอย่างนั้นแหละคน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 ขอให้มีความสุขความสบายความเจริญในปัจจุบันนี่พอแล้วอีกคนที่รู้อยู่แล้วทำบาปร่วงเกินพุทธวัญญาตต่างๆโมนี่นะรู้แต่มีความเห็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละแต่ถ้าผู้ที่มีความเห็นว่าอันบาปนั้นมีจริงผู้ใด ทำบาปมีค่าสัตว์เป็นต้นดังกล่าวมานั้นจะต้องได้รั บ, รบผลเป็นทุกข์ถ้าไม่ได้รับผลในปัจจุบันก็จะไปได้รับผลเป็นทุกข์ในอนาคตหลังจากพระโลกนี้ไปแล้วเป็นอย่างนั้นผู้ใดมารู้อย่างนี้มาเห็นอย่างนี้แล้วผู้นั้นก็จะพยายามเวี่ยจากบาปเหล่านี้ให้ได้เลยไม่ไม่อ้างโน้อนอ้างนี้อะไร อา้าวทำการค้าขายอย่างนี้เราก็เอากำไรแต่พอสมมาสมควรแล้วลูกค้าเขาก็ไม่เดือดร้อนอะไรเท่าไหร่นะเพราะทำการค้านี่ถ้ า, าไม่มีกำไรเสียเลย อ, อย่างนี้ไม่ทราบวิธีทาไปทำไมอะ่ะธรรมดาลูกค้าท่าไมนมันก็ยอมรู้แต่ถ้าเอากำไรมากเกินควร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 ต่อพิจารณาดูให้ดีดังนั้นผู้พิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันจึงมีจิตประกอบไปได้วยเมตตาแก่คนยากคนจนคนขอฟันกลางอย่างนี้ก็มันก็เป็นอยู่ไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่หรอกอดๆ อ, อิมอ่มๆไปอย่างนั้นเนี mm ่ย hmm. แล้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 เมื่อตั้งใจไปอย่างนี้แล้วเห็นคนยากคนจนมาซื้อสิ่งซื้อของอย่างนี้เราก็ผ่อนผันให้เขาไปอย่างนี้นนะ่ะพระเพรามีความเมตตาเขามีสตางค์น้อยถ้าเอากำไรกับเขามากเขาก็เดือดร้อนทีนี่เขาก็ไม่มีเงินจัดซื้ อ, อเรามนุษย์เหมือนกันไม่เมตตากันไม่เอ็นดูกัน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 เขาไม่มีปัญญาจะหาเลี้ยงชีพโดยทางอื่นเขาก็เลี้ยงสัตว์ไว้ขายให้เขาค่ากินบ้างตัวเองค่ากินบ้างอืเป็นอย่างงั้นแหละคนที่มีบุญน้อยนะที่เล ห, หละเก็จําเป็นแล้วบาปก็จําเป็นต้องบาปเราไม่มีปัญญาจะหาทางอื่นนี้มีปัญญาเท่านี้ออื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 ขอไม่มีจิตวิญญาณแล้วนี้นั่นมันไม่มีจิตวิญญาณแล้วมันเป็นอย่างนั้นผู้ซื้อเนื้อซื้อปลาอันที่มันมีชีวิตแล้วก็ท่องพิจารณาอย่างนี้แหละพิจารณากำหนดในใจอย่างนี้ว่าเนื้อเหล่านี้มันไม่มีจิตวิญญาณแล้วเราะนั้นเราก็ซื้อเอาไปทำเป็นอาหารบริโภค อย่างนี้ไม่มีโทษน ะ, อะขอให้เข้าใจอย่าไปเชื่อพลํมบลาสำหรับคนบางพวกที่มีความเห็นว่าาผู้ซื้อเอาไปกินก็รับส่วนบาปกับผู้ค้าอย่างนี้ไม่ไม่หรอกก็มันก็มีเงื่อนไขอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละถ้าผู้ซื้อเ้นไปสั่งให้เขาค่ามาขายอย่างี้มันก็รับ ส่วนบาปก็เขาแน่นอนอันนั้นนะถ้าไม่ได้สั่งให้เขาฆ่ามาขายให้ตนเน่ะเขาฆ่าอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วเขาก็เอาเนื้อนี่ยมาวางขายที่ตลาดผู้ใดไปเห็นเขาแล้วเห็นว่าของบริสุทธิ์ล้วกับซื้อเอามาปรุงอาหารรับประทานเท่านั้นเองนี่จึงชื่อว่าไม่มีบาปเพราะการฆ่าสัตว์นั่นมันต้องเกี่ยวกับเจตนาด้วย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 อันนี้ไม่เห็นจริงๆอ่ดังนั้นโทษมันจึงไม่มีนี่อันนี้เราเราต้องชําระความรู้ความเห็นให้มันสะอาด่าให้มันมีความสงสัยรังเลเลยการรักษาศีลเมื่อยังมีสงสัยอยู่ตรงนั้นมันก็ไม่เป็นศีลอันบริสุทธิ์ได้เป็นอย่างนั้นถ้าพิจารณาจนหายสงสัยเสร็จแล้วอย่างนี้ มันจึงเป็นศินอันบริสุทธิ์ได้ผู้รักษาศินทั้งหลายต้องให้เข้าใจอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยอันบุคคลที่ไม่สามารถที่จะค้นจากทุกข์ในโลกสงสารอันนี้ไปได้มันก็คาบาบนี่เองเนี่ยพี่นาดูให้มันเห็น อา้าทำบาปแล้วตายแล้วไปตกนะลกไปเป็นเปรตเหรอเนี่อยู่อย่างนั้นแนะล้วมันที่พ้นนะทุกได้ยังไงล่ะจะไปสวรรค์ไปพานิพานได้ยังไงอ่ะนี่นะมันก็ไม่พ้นจากทุกข์ได้เมื่อพ้นจากทุกข์ได้อย่างนี้สเสวยแต่ทุกขเวทนาอยู่นั่นมันก็ไม่มีโอกาสได้สั่งสมบุญกุศลเลยอืมทีนี้มันก็ชีวิตของคู้นั้นก็ละทมอยู่ด้วยความทุกข นะ้าแสนนานเลยเขาบาปการรมเมื่อทำมากเข้าไปแล้วมันให้ผลนั่นขพาพุทธเจ้าตรัส้วยว่าอายุของสัตว์นรกยังยืนกว่าอายุของเทบุเทวดาบนสวรรค์นะเกือบเท่าตัวแล้นะอะมันเปน็นยาง้นดังนั้นนะ่ะทุกคอนนะ่ะถ้าเราเป็นชาวพุทธจริงๆแล้ว ได้ฟังคำสอนของวิเจ้าที่ท่านที่เหตุที่ผลอะไรให้ฟังโดยแจมแจ้งอย่างนี้แล้วมันก็ควรที่จะหาทางเว้นจากกรรมชั่วเหล่านั้นให้ได้เราจึงจะเอาตัวรอดจากทุกขในวัฏฏ์สงสารอันนี้ได้เพราะว่าผู้มีศีลบริสุทธิ์แล้วจะเจริญสมถะวิปัฏนาอย่างนี้มันก็ทำได้สะดวก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 มันก็ขจัดนิวรณ์ห้านั้นออกไปอืมจากจิตใจเลยความรักก็ระ ง, งับไปความชังก็ระ ง, งับไปความง่วงเหงาหงาน่อนก็ระ ง, งับความพุ่งสารางลำคาญของขีดก็ระ ง, งับไปความสงสัยรังเลในบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์ความสงสัยในโลกนี้โลกหน้าก็ก็ระ ง, งับไปอืม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 พระพุทธเจ้าเอาชนะมารมาบ ก, กวนพระองค์ตอนปฐมยามหัวค่ำนั่นนหะพระองค์ก็นึกถึงบุญญาบารมีที่ได้สั่งสมอบรมมาแต่อเนกชาตินั่นแหละมาเป็นกำลังใจจึงบรันรดาลให้มารและเสนามานั้นพ่ายแพ้ไปเลยที่นั้นใจของพระองค์ก็สงบรลมลงเป็นหนึ่งละเอียดประนิ์ จนได้บรรลุรูปฌานสี่อรูปฌานสี่โดยคล่องแคล่วเลยนี่พระองค์อาศัยฌานนั่นแหละเป็นบาตรอาศัยรูปฌานเป็นบาตรเดีวก็เจริญปัญญาวิปัสสนาต่อไปเช่นระลึกชาติหนุนหลังอันนี้นะเก็ทรงรู้ระลึกชาตหนหลังได้โดยลาดับไป จนไม่มีประมาณเลยทีเดียวออ่ะืมในขั้นที่สองทรงรู้ความเกิดความเป็นไปของสัตว์โลกทั้งหลายก็เช่นเดียวกันนะเป็นไปตามกรรมเหมือนกันนะทั้งตนและทั้งสัตว์โลกต่างๆไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆในสายก้นโลกจะมาดนบันดาลให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่มีอย่ น, นี้นะ ในยามสุดท้ายจวนสว่างพระองค์กรพิญญาปฏิจจัสมบาบุตรสิบสองประการมีอวิชชาเป็นต้นมีความทุกขโทมนนสเป็นที่สุดโดยอนุโลมปฏิลมไปมาทรงรู้แจ้งว่าเมื่ออวิชชาดับคือความไม่รู้ดับไป ไอสังขารมันจะปรุงแต่งให้จิตคิดไปในทางบาปทางบุญทางแห่งความรักความชังแรงต่างๆวันนี้ไม่ไปแล้วเนี่แหลเมื่อเมื่ออวิชชาเขาไม่รู้ดับไปแล้วนะความรู้มันก็เกิดขึ้นมาแทนจึงระงับอวิชชาตัณหากรรมและอื่นๆได้ โดยเด็ดขาดไปเลยก็ชื่อว่าได้ตัดสรุอนุตรสัมโมสัมมาสัมโพธิญาณในตอนจวนสว่างเดือนหกเพน่นพระจันทร์เต็มดวงร่วงมาแล้วได้แปดสิบกว่าปีหรือว่าน้อยกว่าปีนู่นแหละล่วงมาแล้วอะสองพันกว่าปีนู่นเ่ <c oughs>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 ถ้าบุญบา ร, รมีไม่เต็มพระองค์ก็ไม่สละราชสมบัติออกกวดเลยก็ต้องสร้างบุญบา ร, รมีสืบต่อไปอเนี่ยเปนั้นเหตุผลนะโดยเหตุผลมีอย่างนี้แหละเมื่อบุญบา ร, รมีเต็มแล้วพระองค์แสวงหาทางตรัสรู้ไปมาในที่สุดก็ครบทางตรัสรู้ได้ในปีที่หก ก็ทรงละอาสวะกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายหมดสิ้นไปท่านยังกล่าวไว้ในธรราว่าตอนที่พระ อ, องค์เจ้าตัดสรู้ใหม่ๆนล้นั้นเกิดแสงสว่างทั่วโลกอันนี้เลยใครอยู่ไหนก็เห็นแสงสว่างอันนี้แล้วสัตว์ที่เคยเป็นศัตรูกันมาแตก่อนก็เป็นมิตรกันไม่เบียดเบียนกัน แต่มันก็เป็นไปได้ช่วระยะหนึ่งแล้วมันก็หายไปเป็นอย่างนั้นแล้วตอนที่บุคคลจะมาเชื่อมั่นในพระปัญญาสัจรรมของพระเจ้าจริงๆจะไม่หันเหนไปนับถือศาสตราอื่นและที่อื่นนั่นก็เพราะมาพิจารณาเห็นอริยสัจจะทำทั้งสี่นี่แหละ เป็นหลักเป็นแก่นของวัตถุศาสตร์ศานาเลยอืมพิจารณาเห็นพระองค์เจ้าตรัสว่าธาตุความเกิดเป็นทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์อันนี้มันก็เป็นความจริงอย่างนี้นะอืความพัดผาาจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ความได้พบกับบุคคลที่ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจก็เป็นทุกข์ ความที่ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังก็เป็นทุกข์ทุกข์รวบยอดจริงๆก็คือความยึดมั่นในถือมั่นในขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนอันนี้เป็นทุกข์รวบยอดเลยนี่ปัญญาชนทั้งหลายพอพิจารณาก็เห็นชอบตามพระองค์เลยความทุกข์เหล่านี้มันมีเมื่อเมื่อเกิดมีขันห้านี่มาตามมามาแล้วนะ ไอ้ความทุกข์เหล่านี้มันก็มีมาอยู่นั้นมันลีไปพ้นเลยเช่นความแก่ชร า, าทุกขคนลภาพอย่างนี้นะมันก็เป็นความจริงแล้วนะร่างกายอันนี้มันไม่ใช่ว่ายั่งยืนอยู่ได้แล้วความเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยเบียดเบียนร่างกายโมนี้นะมีอยู่ท้อมไปเลยแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้จะไม่เป็นทุกข์อย่างไรแล้ว เมื่อร่างกายมันวิบัติใจพวนมันก็กระทบกระทั่งกับจิตคือความรู้สึกอันนี้แหละจิตคือความรู้สึกนี่ก็รู้สึกว่าไม่สบายแล้วเป็นทุกข์แล้วอืมอย่างนี้นะพันเมื่อรู้ว่าตนจะตายยิ่งเป็นทุกข์หลายแบบ น, นี้นะความห่วงอะห่วงลูกห่วงเมียห่วงผัวห่วงเข้าของเงินทองห่วงบ้านช่องอะไรต้อยจิ ป, ปาสสะ นั่นแหละไม่อยากพัดภาค ก, กักของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์เป็นโศกพิไร ล, ลำพันธ์ต่างๆ น, น, น, นานาอย่างนี้แล้วดังนั้นนะก็ขอให้พากันพิจารณาดูให้ดีอ้ความทุกข์เนี่ยมันมีจริงแท้ๆนะแล้วอะไรเราเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็ตันหาเลยพระพุทธเจ้าตัดไว้ตันหาหรือส ม, มุทัย สมุทัยก็าแปลว่าเหตุที่เกิดทุกข์เหตุที่เกิดทุกข์คืออะไรก็คือตัณหาความทะยามอยากของจิตนั่นแหละเมื่อจิตมันอยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดอยากได้แล้วไม่ได้สงองก็ยึดถือเอาไว้ก็ยิ่งเป็นทุกข์ไหลยอย่างนี้นะ <c oughs> เมื่อมันยึดถือเอาไว้อย่างนั้นมันก็เป็นตัวกรรมแหละเป็นกรรมดีกรรมชั่วนะ กรรมดีกรรมชั่วนั่นแหละก็นําดวงจิตนี่ไปเกิดในภพใหม่ชาติใหม่ต่อไว้อีกในเมื่อบุญกรรมที่ทํามาตะก่อนหมดลงแล้วชีวิตนีนก็ตั้งอยู่ไม่ได้กรรมดีกรรมชั่วที่มนุษย์ทําปัจจุบันนี่มันก็นําไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่เกิดมาแล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายอีกอยู่อย่างนี้นะพระพุทธเจ้ารู้แจ้งตันหานี่แหละ มันก่อภพก่อชาติให้อยู่อาศัยมาโดยลํา ด, ดับไม่ไม่รู้ว่ากี่ภพกี่ภ พ, ก, พกี่ชาติมาแล้วควรจะเบื่อจะนายได้แล้วอเป็นอย่างนั้นปัญญาชนเมื่อพี่นายเห็นอันนี้ก็เบื่อนายจริงๆเลย <c oughs> เมื่อเบื่อนายด้วยอํานาจแห่งปัญญาเข้าไปมันก็คลายความอยากอันนี้ไปเรื่อยๆไปนะ้ ไม่คลายให้หมดทีเดียวก็ค่อยคลายไปทีละน้อยละน้อยไปบางคนก็จะอาจอาจจะว่าเอา้าเมื่อคลายความอยากแต่แล้วเจ็บไม่ต้องหาไม่ต้องทําการงานอะไรไม่ใช่เหรอออันักเป็นกระเลือหัดนะถ้าเป็นพระเป็นเจ้าก็ไม่ต้องบิณฑบาตไม่ใช่เหรอไม่ได้หมายอย่างนั้นเรื่องมันนะ่ะ คลายความอยากหมายความว่าเราพระพุทธเจ้าสอนว่าต้องให้อยากอยู่ในกรอบแห่งสินเหี่งธรรมอย่างนี้นะอย่าให้เกินขอบเขตแห่งสินธรรมอย่างว่าสันตุถีประมังท่านังความยินดีตามมีตามได้เป็นทรัพย์อันประเสรศิฐพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดังนั้นผู้เป็นชาวพูดจริงๆนะก็ต้อง ฝึกจิตของตนให้ยินดีตามมีตามได้ตนแสวงหามาได้โดยทางชอบโดยศีลโดยทรมากน้อยเท่าไรตนก็ยินดีบริโภคใช้สอสอยู่เท่านั้นอย่างนี้นี่ก็พระพุทเจ้าไม่ทรงารเป็นตัญหานี่คือว่ามันเมื่อมันเกิดมามีขันห้าอยู่นี่มาแล้วมันก็ต้องอาศัยปัจจัยสี่ล่อเลี้ยงไว้ขันห้านี้จึงเป็นอยู่ได้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 อภิชาตันหารบกวนจิตใจมากเกินประมาณอืมมันเป็นอย่างนั้นเหตุผลนะขอให้เข้าใจไม่ใช่ว่าคลายความอยากออกแล้เราไม่ต้องทํางานทําการอะไรไม่ต้องกินอะไรปล่อยให้มันตายไปเองมาเลยอย่างเนี้ยนะอันนั้นเรียกวคนขาดปัญญาคิดดูแต่ในมรรคมีองค์แปดประการนะ่ะพระองค์เจ้าก็ยัง จัดสัมมาอาชีวโวการเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบเข้าในมรรคอันมีองค์แปดประการนั่นนะจัดสัมมากรรมโตคือการทำการงานชอบไม่ผิดศีลผิดธรรมสัมมาวาจา์กจิรจิาชอบไม่ผิดศีลผิดธรรมเข้าไปในองค์มรรคแปดประการนั้นนะลองคิดดูว้าหากว่า ผู้ใดไม่ชาระสะสารอาชีพให้สะอาดหมดจดไม่ชำระการงานของสนให้หมดจดจากบาปจากโทษแล้วผู้นั้นเนะ่ะก็ย่อมได้เสวยทุกข์เป็นผลไปในสงสารนี่มาเขาว่างั้นก็เมื่อไม่ชำระอาชีพไม่ชำระการงานสะอาดมันก็ทำบาปแล้วเช่นชาวประมงอย่างนี้นะอืม ไปตกปลามาขายเลี้ยงเีพยอย่างนี้นะก็ทําบาปทุกวันทุกวันอ่ะอืมมันจะไม่ได้บาปยังไงแล้ววันนี้นั่นเนะีลยที่พูดนี่หมายความว่าชี้แจงเหตุผลถูกกันฟังไม่ได้บังคับให้ใครละเว้นนะใครจะละก็แล้วแต่ผู้นั้นนะไม่ละก็แล้วแต่ผู้นั้นเองนะอย่างนี้แหละ ผู้ที่เห็นทุกข์เห็นภัยในนรกอบายภูมิแล้วอย่างนี้มันก็ต้องหาทางเว้นจากอาชีพอันเป็นบาปเป็นโทษต่างๆหมดนั่นแหละแล้วหาการงานที่มันไม่เป็นบาปเป็นโทษไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นรละสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนนั้นไปทําการงานไปแม้ว่าจะได้มากได้น้อยเท่าใดก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นแหละ ขอให้มีศีลบริสุทธิ์อย่าให้มีบาปติดตัวไปก็แล้วกันนี่ผู้มีปัญญาแล้วย่อมพิจารณาเห็นอย่างนี้ย่อมถอนตนออกจากบาปจากโทษ ต, ต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นให้ได้ทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพราะได้ภาวนาไปพร้อมนี่แหละภาวนาทําใจสงบลงแล้วมันปัญญามันเกิดนี่ ปัญญาเกิดแล้วก็มองเห็นบาปว่าเป็นบาปจริงๆนะ <c oughs> มองเห็นบาปว่าอํานวยผลให้ให้เป็นทุกข์แก่ผู้กระทําจริงๆมองเห็นบุญว่าเป็นบุญจริงๆบุญคือความดีบุคคลกระทําด้วยกายวาจาใจมันก็ยอมอํานวยผลให้เป็นสุขแก่ผู้กระทําได้จริงนี่นะนั่นแหละ ผู้ที่จะล่า บ, บาปบําเพ็ญบุญได้ก็พราะมาฝึกผลอบรมจิตใจให้สงบระ ง, งับจากบาปอากุศลต่างๆดังกล่าวมานั้นให้ได้เพราะว่าบุญก็จิตตรงนี้เป็นผู้สร้างขึ้นมาบาปก็จิตตรงนี้เป็นผู้คิดขึ้นมาแล้วจึงใช้กายทําใช้วาจาพูดถ้าจิตไม่คิด เรื่องใดขึ้นมาแล้วก็ไม่สั่งกายทําไม่สั่งวาจาพูดก็อยู่นิ่งๆไปอย่างนั้นเนี่ยลองสังเกตดู <c oughs> อาส ม, มุทรนั่งอยู่ดีๆนี่นึกว่าอาเราจะต้องลุกไปทํางานอันนั้นก่อนอย่างนี้นะพอจิตคิดอย่างนี้นะมันก็ลุกขึ้นไปทําการงานอันนั้นไปอย่างนี้แหละ อันบาปกรรมก็เหมือนกันเนี่ ย, เ, ยเราไม่มีอะไรจะกินเลยะจะต้องไปลงหนองจับปลาจับเหียดจับปูอะไรตัว อ, อะไรสัตว์มีชีวิตมาต้มมาแกงกินคิดอย่างนี้แล้วก็ไปไปแสวงหามางี่นะนี่แหละจึงว่าบาปก็จิตเป็นคิดเป็นผู้คิดเป็นผู้สร้างขึ้นมา ถ้าจิตไม่คิดไม่สร้างมันเะแล้วมันไม่มีเลยนะคอยพากันพี่นาดูให้ดีแม้ว่าบาปส่วนอื่นๆเกี่ยวกับนักบวชก็เหมือนกันเพราะวินัยทั้งหลายที่พระเจ้าทรงบัญญัติห้ามไมา่ทำให้พูดไว้นั้นล้วนแต่พระองค์พี่นาเห็นแล้วมันเป็นบาปเป็นโทษทั้งนั้นเลยพระองค์เจ้ า, าถึงได้ห้ามแล้วผู้ใดามาพี่นาเห็นอย่างนี้แล้ว เมื่อเบื่อทุกไม่ต้องการอยากสวยทุกข์ต่อไปก็สำรวมกายว า, าจาใจทุกชนไม่ร่วงพระวินยัยอะไม่ร่วงธรรมไม่ร่วงวินยัยต่อไปเลยถ้าว่ากิเลสมันคึกขนองอะจะสู้มันไม่ได้จริงๆมันจะบังคับให้ใช้กายวาจาทำทั่วพูดทั่วจริงเช่นนี้แล้วก็ ทำความเพียรเด็ดเดี่ยวลงไปให้เหนือกำนังของกิเลสมานี่อดนอนผอนอาหารลงไปให้เต็มที่เลยอย่างนี้นะเมื่อร่างกายมันก็อ่อนแอลงไปแล้วอย่างนี้กิเลสมันก็อ่อนลงไปตามกันแหละเป็นอย่างนั้นหายังเลี้ยงร่างกายนี่ให้อิ่มหมีพีวันอ้วนท่วนสมบูรณ์อยู่อย่างนี้น่ะโอ้ย กิเลสตัณหานี่มันมากมายจริงๆนะผู้ที่ไม่ได้ฝึกขนอบรมตนมาแต่ก่อนนะถือว่าแต่ยังหนุ่มยังแน่นไม่ฝึกขนอบรมตนเลยอย่างนี้นะถ้าบวชเป็นนักบวชอยู่แต่เวลายังหนุ่มแน่นไม่รีบเร่งทําความเพียรไม่ทํากิเลสตัณหาในน้อยเบาบางลงไปอย่างนี้เมื่ออายุมากมา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 ไม่มากพอที่จะกําจัดกิเลสออกจากจิตใจได้เหตุนั้นเราจึงต้องมาสร้างบุญกุศลใหม่เพิ่มเติมเข้าไปอีกอย่าง น, นี้นะการทําทนมากน้อยสันโดษในปัจจัยเครื่องอาศัยต่างๆดังกล่าวมาเนี่ยนะอย่าไปเข้าใจว่าไม่เป็นบุญกุศลนะเป็นบุญกุศลอย่างอย่างแรงทีเดียวอ่ะเพราะเมื่อบุคคล ไม่มักน้อยสันโดษในปัจจัยเครื่องอาศัยนี่แล้วมันมากมากมากๆแล้วอย่างนี้มันก็ไปล่วงทำล่วงวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญตัติห้ามไว้แล้ววันนี้เช่นว่าห้ามหลอกลวงประจบประแจ้งชาวบ้านเพื่อให้เขานำราบสักการะมาให้อย่างนี้นะการทําอย่างนั้นเป็นมิจฉาชีพไม่ไม่ไม่เหมาะสมแก่ธรรมน้าเพศเลยอย่างนี้ พระภิกษุสามเณรนั้นยังไปร่วงเกินอยู่อย่างนี้นะอ่าร่วงเกินอยู่เท่านั้นก็นกนได้ประสบบาปแล้วบาปอากุศลแล้วการบวชก็นับว่าไม่มีผลแล้วมีกันน้อยเต็มทีเลยได้สะสมบาปกรรมนั้นใส่ตนมากเพรา <c oughs> ฉะนั้นต้องพินาให้ดี เมื่อเรามีบุญวัสนนาส่งมาได้มาบวชได้นี่เอาเรามีโอกาสได้ทำความเพียรเต็มที่เพราะว่าไม่ได้ทำสวนทำนาค้าขายไม่ได้ทำราชการงานเมืองอะไรเลยมีชีวิตเป็นอยู่กับญาติโยมชาวบ้านเขาก็ยินดีอุปธรรมบำรุงด้วยปัจจัยสี่ถ้าหากว่าพระภิกษุสามเณร สร้างอกสร้งใจปฏิบัติตามธรรมวินัยมักน้อยสันโดษชอบส ง, งัดปราลกความเพียรอยู่เสมออย่างนี้นะชาวบ้านเห็นเขาแล้วเขาก็ดีดเขาก็เรื่มใสนับถือมีอะไรเขาก็อยากเอามาให้คบให้ฉัน ม, มันเป็นอย่างนั้นตำเดียมอันภูเ็นทายกทายิกาเมื่อได้ได้เห็นพระภิกษุสามเณรปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้ว ก็ผู้มีบุญวาทนาเหมือนกันแหละทายกไสยิกาเขาดีเหตุนั้นถน่งเรื่องลื่อมใสในสมณะผู้บวชชอบด้วยทรรมด้วยวินัยยอมสละจะถูกใจหามาได้แสนยากลำบากออกมาบำลุงโดยไม่เสียดายเลยหมูนี่น ะ, ะดังนั้นเนี <c oughs> ่ยเมื่อได้ยินได้ฟังอุบายธรรมวินัยดังกล่าวมานี้แล้วจะขอให้พากัน ตั้งอกตั้งใจเอาไปพินิษ์พิจารณาเมื่อเห็นว่าเป็นหนุนทางค้นทุกข์ได้จริงอย่างนี้แล้วก็ชงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติด้วยความไม่ประมาทก็จะได้ประสบความสุขความเจริญตามกำลังความสามารถของตนของตนดังแสดงมา